ช่วนี้ก็ข อ, อนิมนต์อาจารย์สุรินน ะ, ะแสดงธรรมให้พวกเราฟังด้วยขอกาบปุชาคุณพระรัตน์นรตยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอการพระอาจารย์ไพศาลครูบาอาจารย์เพื่อนศรธรรมมิกเจริญพออย่างแม่ชีและยาติธรรมทุกท่านฟังธรรมมันตามสบายที่ประเทศไต้หวันมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคพิการทางสมองแต่เธอก็มุ่งมั่นจนเรียนสาเร็จปริญญายเอก จากสหรัฐอเมริกาและที่ไต้หวันประเทศของเธอก็มีการจัดการวาดภาพเขียนของเธออยู่เป็นประจำเจอตัวเธอเองก็ได้รับการเชิญให้ไปบรรยายเพื่อให้กำลังใจแก่คนทั่วไปหรือสร้างแรงบันดาลใจมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่เธอบรรยายเสร็จก็มีเด็กเลเรียนคนหนึ่งถามขึ้นราว่าคุณมีสภาพเช่นนี้ตั้งแต่กาเนิด คุณไม่รู้สึกน้อยใจหรือและคุณมองดูตัวคุณเองอย่างไรคําถามนี้สร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งห้องเพราะเป็นคําถามที่ละเอียดอ่อนและจะสร้างความะเทือนใจให้กับผู้ถูกถามก็ได้ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าหวังไม่เหลียงเธอก็สีหน้าปกติแล้วก็มาเขียนตอบคาถามนั้นเธอพูดไม่ได้ขับใช้ข้อเขียนแทน เธอก็เขียนตอบในหัวข้อว่าฉันมองดูตัวเองอย่างไรหนึ่งฉันไม่คนน่ารักมากสองฉันมีขาเรียวยาวสวยดี 3. พ่อแม่รักฉันมาก 4. พระเจ้าประทานความรักแก่ฉัน 5. ฉันวาดภาพได้ฉันแต่งหนังสือได้ 6. ฉันมีแมวที่น่ารักและเธอก็กล่าวสรุปว่า ฉันมองในสิ่งที่ฉันมีไม่มองในสิ่งที่ฉันขาดทำเขียนข้อสุดท้ายจบลงทั้งห้องประชุมเนี่ยก็ต่างซากซึ้งใจแล้วก็ตบมือให้กันทั้งห้องเลยหวังไม่เหลียงเธอเป็นคนที่สู้ชีวิตมีอาการพิการทางสมองแต่กำเนิดแต่ก็มุมาน่าจนจบปริญญาเอกจากมหลาลัยชื่อดังคือ UCLA ของสหรัฐอเมริกาแล้วเธอก็เป็นนักวาด และแต่งหนังสือได้ด้วยทุกครั้งที่ไปที่ไหนที่รับเชิญไปเนี่ยก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นคนส่วนมากที่มาร่วมฟังเนี่ยก็มีสภาพดีกว่าเธอแหละเมืวว่อวานพระอาจารย์ประสารก็ได้พูดเรื่องเรื่องนี้ไงอาตมาก็นํามาพูดยกตัวอย่างอาจารย์พูดว่าให้พอใจสิ่งที่ตัวเองมีอย่าไป ม, มองสิ่งของผู้อื่นเพราะโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยจะทุกข์กัความคิดคือมักไม่ค่อยพอใจและยินดีในสิ่งของตัวเองไง ไปเปรียบเทียบว่าคนนี้รวยกว่าฉันหน้าตาดีกว่าฉันหรือครอบครัวที้อบอุ่นกว่าฉันมีแฟนสวยแฟนหลอ่อมีอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรถหรือทรัพย์สมบัติต่างๆพอเปรียบเทียบปุ๊บเราออก็ทุกันทีเลยแต่ถ้าเราไม่เปรียบเทียบเรามาพอใจสิ่งที่เรามีเนี่ยเราก็มีความสุขไม่ดินน้นรนไม่ขุนหวาย คนสมัยนี้บางคนไม่มีเงินก็ไปเที่ยวหยิบยืมเงินคนอื่นหรือเอาเงินอนาคตมาใช้ก็มีเพราะแต่ละคนก็อยากมีหน้ามีตาอยากมีสิ่งของที่ทันสมัยเอามาอวดคนอื่นอันนี้ไม่ใช่ความสุขวิแทจริงความสุขวิแทจริงคือพอใจในสิ่งตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งตอนนี้ป่วยหนัก กาจะหมดลมหายใจแล้วโยมบรรทูตก็ปรากฏกายขึ้นเศรษฐีเห็นโยมบรรทูตก็ถามว่าท่านจะพาข้าไปไหนโยมบรทูตก็ตอบว่าพาไปนกรกเศรษฐีรู้สึกไม่พอใจมากเลยบอกว่าตัวเองขณะตัวเองเนี่ยทำความดีไว้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบริจาคเงินสร้างวัดสร้างโรงเรียนไปช่วยเหลือ สานที่ต่างๆมากมายทำไมต้องไปตกอาลกด้วยโยมทูตได้ยินคำทักท้วงจึงกล่าวว่าเอางี้ก็แล้วกันข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกหนึ่งอาทิตย์ถ้าเจ้าได้รอยยิ้มจากใจจริงสามครั้งข้าจะเจ้าไปสวรรค์เศรษฐีได้ฟังแล้วนั้นก็พอใจในคำตอบเพราะว่ามองว่ารอยยิ้มสามครั้งสำหรับเวลาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยน่าจะง่าย คันอยู่บททูตไปแล้วเสถีก็นั่งนึกถึงคนแรกที่จะให้รอยยิ้มแก่เขาก็คือภรรยาของภรรยาสุริยักษ์นั่นเองแต่งงานกันมาสี่สิบกว่าปีตอนนี้ก็แก่แ้กันทั้งคู่คนนี้แหละจะเป็นคนให้รอยยิ้มที่จริงใจแก่เขาแล้วก็ไปซื้อเครื่องเพชรชุดใหญ่เอามาให้ภรรยาภรรยาหเห็นเครื่องเพชรก็ดีใจแล้วก็แปลกใจมาก อยู่มาทูดก็มากระซิบที่หูเศรษฐีว่านี่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่รอยยิ้มที่ทเกิดจากใจจริงเศรษฐีก็พยายามต่อไปซื้อรถซื้อของที่ภรรยาชอบต่างๆอีกหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้รอยยิ้มจากใจจริงสักทีตอนนี้เริ่มทอ้อแท้แล้วเวลาผ่านไปสามวันเศรษฐีก็รู้สึกว่ารอยยิ้มจากภรรยาทีิรักเนี่ยยากจริงๆหมดแรตายยากแล้วตอนนี้ เช้าวันที่สี่เศรษฐีก็ลงมือทำครัวเองเลยแต่ตื่นแต่เช้าขึ้นมาทอดไข่แล้วก็ทำอาหารแบบที่ตัวเองถนัดนั่นแหละเพื่อจะเอาใจภรรยาทำเสร็จก็วางไว้บนโต๊ะภรรยาตื่นขึ้นมาเนี่ยหน้าตายงวงเงียอยู่เลยรู้สึกเซอร์ไพรส์มาก พาอไม่คิดว่าสามีจะทำอาหารเองให้เธอทานเพราะมีคนใช้ทั้งหลายคนโดยไม่จาเป็นต้องให้สามีเหนื่อยแต่ทำให้ให้หน้าตาเธอไม่ได้ล้างแต่เธอก็ยิ้มแบบผ่อนคลายจนเศรษฐีจะรับได้เลยวันดีแหละน่าจะเป็นรอยยิ้มจริงๆเพราะว่าเศรษฐีเองไม่ได้ทำอาหารให้ภรรยาทานานานมากแล้วบางทีตื่นมาก็ไปทานอาหารข้างนอก ยมทูด ก, กระซิปที่หูบอกว่านี่แหละรอยยิ้มที่เกิดจากใจจริงเจ้าได้หนึ่งครั้งละสถีก็มีความสุขมากและสายวันนั้นก็นึกถึงรอยยิ้มที่สอ ง, งหน้าของลูกน้องโคตสนิทจึงเรียกลูกน้องว่ า, าพบแล้วก็ตั้งให้เป็นรองกรรมการใหญ่และแบ่งหุ้นบางส่วนให้ลูกน้องก็ดีใจคำนับแล้วคำนับอีก แต่เศรษฐีสังเกตสีหน้าของลูกน้องเนี่ยยังมีความทุกข์เจือปอนอยู่คือยิ้มจริงแต่ว่ายังไม่ผ่อนคลายคือยังไม่ได้เกิดจากรอยยิ้มพ่จิงใจเวลาก็ผ่านไปจนถึงวันสุดท้ายเศรษฐีก็รู้สึกกรธกลวายใจมากเลยเพราะที่เจ็วันแล้วเพิ่งได้รอยยิ้มเดียวก็เข้าบริษัทแล้วก็เรียกลูกน้องมาพบอีก แล้วก็มอบตั๋วเครื่องบิน5ใบให้ไปเที่ยวฮาวายกับครอบครัวเพื่อเป็นรางวัลโดยให้ลูกน้องเนี่ยพักผ่อนหนึ่งเดือนตอนนี้สีหน้าลูกน้องเปลี่ยนเลยพอนึกไปถึงว่าเศรษฐีแค่พักผ่อนเพราะว่าลูกน้องคนนี้รักครอบครัวมากแต่ตัวเองเนี่ยจะไม่เวลาว่างเลยต้องทํางานหนักตลอดจนแบบครอบครัวขาดควาอมอบอุ่นพอเศรษฐีมอบโอกาสนี้ให้เนี่ย ร็ซาบซึ้งใจยิ้มแบบหมดจดผ่อนคลายและโยบะทูตก็มากระซิบที่หูบอกว่าเจ้าได้รอยยิ้มที่สองแล้วแต่ตอนนี้เศรษฐีเองก็รู้สึกว่าเวลาใกล้หมดแล้วนะเพราะวันที่เจ็ดแล้วคิดว่าไหนๆเราก็จะตายแล้วแล้วต้องยอมรับความจริงด้วยเราหงตงกะรลกแน่รอยยิ้มเนี่ยจริงใจหาย า, ยากจริงๆ จ, ง จ, งจึงถอดสูตรออก แล้วก็นั่งรถเมล์เที่ยวกะใช้ชีวิตได้คุ้มในวันสุดท้ายแล้วก็เดินชมสถานที่ต่างๆตามตลาดตามถนนในอดีตที่เคยตัวเองเนี่ยไปไหนมาไหนในมีรถคันหรูแล้วก็มีคนขับให้อ่ะจะไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้เลยระหว่างที่เดินไปบนถนนเนี่ยก็เห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่แล้วก็มีใครสนใจเดินผ่านไปก็ผ่านมา เศรษฐีนึกเหงื่อใจว่าไหนๆเราก็จะตายแล้วเข้าไปถามดีกว่าว่าเด็กต้องการอะไรจรึงทราบว่าเด็กเนี่ยหลงกับพ่อแม่หาก็ไม่เจอจึงร้องหาพ่อแม่อยู่เศรษฐีจึงพาเด็กกลับไปที่โรงพักแล้วไปแจ้งความให้ตํารวจเนี่ยช่วยสืบหาพ่อแม่แล้วตัวเองก็นั่งรออยู่บนโรงพักนั่นแหละพักใหญ่พ่อแม่เด็กมาถึงก็วิ่งเข้ามากอดกันสามคนพ่อแม่ลูก โอตอนนี้เศรษฐีมีความสุขมากเลยปลื้มใจอะที่ช่วยคนเนี่ยมาพบกันอยู่มาทูดก็ปรากฏกายขึ้นแล้วก็บอกเจ้าได้รอ ย, ยิ้มที่สามแล้วนะเศรษฐีก็งงเพราะว่าตัวเองได้รอยยิ้มที่สามได้ยังไงอยู่มาทูดก็ก็เอากระจกให้ดูเศรษฐีเห็นหน้าในกระจกเนี่ยเป็นหน้าที่ยิ้มอย่างผ่อนคลายนหน้าตัวเองนะเป็นหน้าของ ลุงแก่ใจดีไม่ใช่เป็นหน้าของผู้จัดการกรรมการบริษัทใจยักโอ้เสถีจึงเข้าใจว่ารอยยิที่สามเนี่ยเกิดจากเรานี่เองไม่ใช่คนอื่นแล้วโยมมาทูตก็บอกแต่ว่าตอนนี้เจ้าไม่ต้องตกอุลกแล้วเทวาทูตไม่มรรลับเจ้าก็จะได้ใช้ชีวิตต่อไปเพื่อทำความดีขณะอยู่บนโลกนี้เรื่องนี้ก็จบลงเป็นนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่า รอยยิ้มจากใจจริงคนเราทุกวันนี้จะหารอยยิ้มจากใจจริงยากแต่ละคนก็อาจจะทักทายกันธรรมดาแต่ก็ไม่จริงใจก็ได้อาจจะยิ้มตากูต่างยิ้ ม, ม่ปแหละพอยุคนี้เป็นยุคสมัยวัตถุนิยมคนเราก็หวังประโยชน์ซึ่งกันและกันอาจจะแบบทำแบบหนังจีนหรือหนังสมัยก่อนไม่ค่อยมีหรอกประเภทตอบแทนบุญคุณหรือช่วยเหลือเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายเนะแบบนี่ยแบบในหนังาหายากถ้ามีผลประโยชน์ลงตัวก็ ก็ครบผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็ทางใครทางมันสมัยทีจิตใจคนเราเปลี่ยนแปลงถ้าใครมีอำนาจคนก็มาประจบสอบพอถ้าหมดอำนาจคนก็ไม่ค่อยจะมาเข้าใกล้แล้วก็มีหลายคนที่ว่ามีอำนาจและยึดติดอำนาจเนี่ยก็ต้องมาลั่งเสียใจยตอนหลังเมื่อจะเป็นประธานาธิบดีนายกผู้ว่าหรือคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยหลังจา ก, กเกษียณขึ้นไปหรือหมดอานาจแล้วเนี่ย คุณค่าก็ลดลงทันทีเลยขนาดที่มีอํานาจอยู่เนี่ยบริวารก็มาห้อมล้อมมากมายเอาสิ่งของต่างมาให้เพื่อประจบคันหมดอำนาจเนี่ยคนก็ไปประจบคนใหม่อันนี้เป็นวัฏจักรของโลกธรรมจิตที่คิดจะให้ย่อมดีกว่าจิตที่จะเอาคนทั่วไปทายคากสุขกับคนอื่นเนี่ยตัวเองก็ได้รับความสุขด้วยแต่ถ้าเราให้ความทุกข์กับเขาเราเองก็ต้องทุกข์ด้วยอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติ มีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งเกิดมาโชคดีมากเลยคือเกิดมาในตระกูลที่ร่ํารวยหน้าตาก็ดีควารมรู้ก็สูงคือเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและชีวิตของเขาก็สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเมื่อวันหนึ่งถึงวันเกิดเนี่ยพี่ชายซื้อรถสปอร์ตคันหรูให้ไปของขวัญชายหนุ่มคนนี้ก็นํารถสปอร์ตเนี่ยขับเที่ยวเล่นเพื่อทดสอบรถ รถคันรถคัน ง, งานเราวิ่งไปทั่วไปหมดแล้วก็ถึงเวลาพักชายหนุม่มก็จอดรถอยู่ข้างทางแหละก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งเข้ามาลูปคำรถ ด, ด้วยใจจดใจจอ่อชายหนุม่มสังเกตเห็นเด็กคนานี่รักรถมากเลยจึงเปิดประตูรถเข้ามาแล้วถามแล้วก็พูดขึ้นว่าเบาๆบหน่อยน้องเดี๋ยวรถไปลอยหมดเด็กก็ถามว่ารถของพี่สวยจังุดยอดไปเลยรถคันนี้ พี่ซื้อมาราคาเท่าไหรชายหนุ่มก็ตอบว่าพี่ไม่ได้ซื้อหรอกพี่ชายซื้อให้เป็นของ ข, องขวัญวันเกิดเด็กก็บอกว่าโอ้โหดีจังผมอยากเด็กพูดข า, าผมอยากเนี่ยก็จะตะบุกตะกักไม่สามารถพูดต่อได้อำอึงอยู่ชายหนุ่มก็คิดในใจว่าเด็กคนนี้คองอิจฉาตัวเองที่มีพี่ชายซื้อรถสปอร์ตคันงามให้ แต่แล้วเขาก็คิดผิดเมื่อเด็กพูดต่อว่าโอ้โหผมอยากจะเป็นแบบพี่ชายของพี่จังผมจะได้ซื้อรถสปอร์ตให้น้องผมได้นั่งบ้างชายหนุ่มได้ยินงนั้นก็เกิดความซาบซึ้งใจมากเพราะคนทั่วไปเนี่ยคิดแต่จะเป็นผู้เอาหาน้ยมากที่คิดจะเป็นผู้ให้จึงชวนเด็กเนี่ยไปนั่งรถเที่ยวกันเด็กก็ตกลง ขับไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่พักใหญ่เด็กก็บอกว่าพี่ช่วยขับรถไปที่บ้านผมได้ไหมชายหนุ่มก็คิดในใจว่าเด็กคนนี้คงอยากอวดกับคนในหมู่บ้านเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยได้นั่งรถสปอร์ตแต่ไหนไหนก็ไหนละไหนละก็พาไปส่งที่บ้าน ขันถึงบ้านเด็กก็วิ่งลงวิ่งไปที่บ้านแล้วก็ขึ้นมาข้างบนทรับหายไปพักใหญ่ก็อุ้มน้องชายตัวเล็กๆขาพิการลงมาแล้วก็ชี้มือไปที่รถสปอร์ตอ่ะบอกนั่นไงเบอร์ดีที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยสักวันหนึ่งพี่จะซื้อให้น้องได้นั่งน้องรอพี่นะพี่ให้สัญญาชายหนุ่มได้ยินดังนั้น หัวเกิดความซาบซึ้งใจแล้วรู้ว่าความสุขที่ยิ่งกว่าการให้คืออะไรจึงนำน้องชายและพี่ชายนี่แหละนั่งรถไปเที่ยวกันจิตที่คิดจะให้ย่อมดีกว่าจิตที่คิดจะเอาอันนี้หลวงพ่อพยอเคยพูดไว้อันมาฟังมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วแหละแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะคนที่ให้จะมีความสุขแต่คนที่คิดจะรับเนี่ยจะต้องทุกข์ขณะที่คิดก็ทุกข์แล้ว เพราะว่าคิดจะให้ในจิตจะเบาคิดจะรับในจิตจะหนักอย่างบางคนเนี่ยมีอำนาจก็ต้องลักลอบสามหน้าเนี่ยกลัวคนมาแย่งตําแหน่งกลัวคนมามาแย่งผลประโยชน์จิตใจจ ะ, จะต้อหนักตลอดเวลาเลยผิดคนที่ปล่อยวางไม่ยิดอะไรเลยชีวิตจะแตกต่างกันมากจะไปไหนเมื่อไหนก็ได้สะดวกไม่มีพันธะ ชีวิตจะต่างกันระหว่างคนที่ให้กับคนที่รับเพราะความสุขจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะต้องมีเงินมากๆหรือมีทรัพย์สมบัติมากๆความสุขที่แท้อยู่ที่ใจเพราะว่าบัคั้างเงินก็ซื้อความสุขไม่ได้หรอกอย่างคนที่ป่วยป่วยหนักนะต่อให้มีอาหารดีแค่ไหนก็กนินกินลำบากช่นั้นอาหารอร่อยอ่อยทั้งหลายก็ไม่คมีคุณค่าเลย เพราะร่างกายมันไม่รับแล้วเงินจึงไม่ใช่เครื่องหมายแหงความสุขถ้าเราสังเกตนะตอนเป็นเด็กๆกเนี่ยเราจะมีเวลาเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีเวลามากแต่เราเนี่ยจะไม่ค่อยมีเงินเพราะต้องของเงินพ่อแม่ใช้แต่พอโตขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบการงานตอนนี้จะเริ่มมีเงินแล้วแต่ไม่ค่อยมีเวลาพอแก่ตัว แต่ตัวบาคคลอาจจะมีเวลาแล้วก็มีเงินแต่ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพคือร่างกายเจ็บป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ไม่สามารถไปเที่ยวไหนได้ได้รังใจคิดนั่นเราจะหาคนที่มีชีวิตทั้งศพสมดุลเนี่ยสามอย่างยากแบบมีเวลาแล้วก็มีเงินแล้วก็มีสุขภาพดีเนี่ยยากแต่คนทั่วไปก็ต้องดินน้นรนทำงานหาเงินกันบางคนลำบากแค่ไหน ก็ยอมแหละบางคนต้องทําโอทําอะไรเพื่อเก็บเงินให้มากๆคันร่างกายพักข่อนไม่พอก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้เจ็บป่วยก็ต้องเอาเงินมารักษาตัวเองต้องนําเงินที่ตัวเองหาเนี่ยมารักษาอะไรที่เกินคาพอดีถ้าคนใช้ชีวิตเป็นก็ใช้ชีวิตสมดุลการเจ็บป่วยก็มีโอกาสน้อยคนทั่วไปใช้เวลาว่างกินเหล้า หรือเล่นการพา น, านันหรือหันหาใบยมุกต่างๆเนี่ยจนเขาไม่ค่อยเวลาพักผ่อนจะมีน้อยนักที่มาวัดมาปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลภาวนาเน่ยอนนี่มีน้อยคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยติดความสุขสนาน ล, ลื่นเลงแล้วก็ไม่ค่อยสนใจธรรมะเพราะเขาไม่คิดว่าตัวเองทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนทุกข์แล้วชีวิตเราก็เป็นของไม่เที่ยงด้วย มีความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากของรักรอเราอยู่ไม่วจะเป็นใครก็ต้องเผชิญเน่ะมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเสระเสรอะมีนินทาไม่มีใครหลีกหนีพ้นต่อยทําดีขนาดไหนก็ต้องโดนอินทาคนที่ไม่โดนนินทานี่ยไม่มีในโลกหรอกแม้แต่ใจเราเองบางครั้งมันก็ยังไม่เชื่อเราเลยแล้วคนอื่นจะมาเชื่อเราได้ยังไง เพราะโดยธรรมชาตินี่ยคนจะมีอัตตาทุกคนแหละใครอัตตามากอัตตอน้อยถ้าคนอัตตามากเอาตัวเองเป็ศูนย์กลางก็จะทุกข์มากคนมีอัตตอน้อยก็ทุกน้อยอัตายึดว่าไอ้นั้นเราของกูอันนี้จะของกูยึดตัวกูของกูแบบที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดไวอ้อ่ะแต่ถ้าใครยึดตัวตัวกูของกูน้อยคนนั้นปัญหาชีวิตก็น้อยลงเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เรายึดไม่ได้หมดแหละเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องตาย ที่นั่งที่นีตายหมดมีใครรอดหรอมันก็ตายแต่ไม่รู้ว่าตายวันไหนนั่นเองเพราะแต่ละคนจะมีเหตุไม่เหมือนกันบางคนก็แก่ตายบางคนก็ตายได้อย่างเด็กบางคนก็ตายได้อาหนุ่มอย่างสาวบางคนก็ตายได้ไวกลางาาคนบางคนตายแล้วไม่รู้ตายที่ไหนด้วยเราไม่สามารถร่วงรู้ได้เลยตายเวลาไหนตายที่ไหนสิ่งเราทําได้ต้องไม่ประมาทในชีวิตเรามาเจริสติสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนเป็นการไม่ประมาท อย่างน้อยตอนตายก็ได้เป็นที่พึ่งสามารถคิดถึงบุญกุศลคิดถึงสิ่งดีๆได้เพราะคนทั่วไปทําไมมาเรียนรู้เรื่องเรื่องเหล่านี้นะก็ตายแล้วก็ตายตาม ย, ยถากรรมอ่ะตายเพราะฝ่ามเคยชินถ้าเราทําอะไรมากๆเนี่ยสิ่งนั้นก็จะนาให้เราเนี่ยไปสู่ทุกขติได้เพราะคนเราจิตจะคิดทางลบนะจะไม่ค่อยคิดทางบวกหรอกแต่ถ้าเรามาเรียนมาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเจะสติ จิตมันก็สามารถนำกุศลมาได้คิดเรื่องที่เป็นกุศลทำความดีต่างๆแต่ถ้าเราไม่มาเจอสติมันก็นึกไม่ได้นะบางครั้งขณะที่จะตายเผลอๆไปคิดเรื่องที่ตัวเองเศร้าหมองคิดถึงเรื่องที่คนอื่นเบียดเบียนเราเราเบียดเบียนคนอื่นเราทําไม่ดีอะไรไว้เนี่ยทันนีมิดตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปที่ไม่ดีได้สติจึงเป็นที่พึ่งชีวิตประจาวันของคนเราเนี่ย ถ้าเจอสติเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กใครมาด่าเราเราเปสติรู้สึกตัวเนี่ยบางทีก็ตัดอารมณ์โกรธได้ถึงตัดไม่หมดก็ทําหนักก็เป็นเบาไม่ไปทะเลาะเบาแหวงคนทั่วไปติดคุกแต่ส่วนมากไม่มีสติทําร้ายตัวเองทําร้ายคนอื่นเวลาน้อยใจท้อแท้ชีวิตก็ฆ่าตัวตายส่วนมากไม่มีสติอย่างนั้นเลยคนที่ติดคุกเนี่ยส่วนมากก็เอาอารมณ์นำหน้าเอา เหตุผลตามหลังผู้โยมโชคดีแล้วที่มาเจรติข้างนอกส่วนมากก็ไม่มีโอกาสที่ได้มาทําแบบนี้โยมออกจากคอร์สไปแล้วจะสามารถไปทําต่อที่บ้านได้ทํางานก็รู้สึกตัวได้ขึ้นรถลงเรือก็สามารถคึงนิ้วรู้สึกตัวได้คิดไรเผลอไปกลับมารู้ตัวเพราะถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราก็อยู่ในโลกความคิดปรุงแต่งความคิดสั่งให้เราทำอะไรเราก็ทํา ความคิดที่จริงมันก็ไม่จริงนะมันมาแล้วมันก็ไปแต่สําหรับคนบางคนนะความคิดคือเรื่องจริงคนเราจรึงอยู่ในอำนาจของควาที่ปรุงแต่งที่จริงมันก็มีรู้กับหลงนั่นแหละคือรู้ก็ไม่หลงหลงก็ไม่รู้ชีวิตเรามีแค่นี้แหละแต่ส่วนมากจะหลงทั้งวันโดยธรรมชาติเราก็ต้องมีความสุขจากการให้การสลัดลดละความเห็นแก่ตัวชีวิตเราจรึงจะมีความสุขความเจริญพราะถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ ชีวเราก็เป็นไปนทางความเสื่อมมาแหละถ้าเราเห็นแค่ตัวเป็นคนที่โลคน้อยเนื้อต่าใจคิดเปรียบเทียบคิดอิจฉาถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้คืออารมณ์ต่างๆที่เราเป็นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไปหาหมอสมอรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรหมอก็รักษาเราถูกโรคแต่ถ้าเจ้าตัวไม่รู้เลยหมอก็จ่ายยายให้ไม่ถูกเหมือนกันบาคนก็โรค ท, ทั้งชีวิตแล้วก็ไม่รู้ตัวเองโลคนะเห็นแค่ตัวทั้งชีวิตก็ไม่รู้เลยเห็นแค่ตัว ในคนขี้ฉาทั้งชีวิตก็ไม่รู้ว่าตัวเองขี้ฉาในคนชอบเปียกที่จะทั้งชีวิตก็ไม่รู้หมอจ่ายยาให้ไม่ถูกแต่ถ้ารู้ว่าเราเป็นคนอย่างนี้นะมันแก้ไขได้เพราะว่าความคิดก็นําไปสู่การพูดการพูดก็นํำไปสู่การกระทําการกระทําบ่อยๆก็เกิดคว า, ามเคยชินความเคยชินก็นําให้เกิดเป็นนิสัยพอเป็นนิสัยปุ๊บเนี่ยทำเรืเ่อยๆก็กลายเป็นชะตาชีวิตหรือวาสนาอันชะตาชีวิตคนเราจึงไม่เหมือนกันหรอกพอเราสั่งสมวิธีคิดแตกต่างกัน บางคนก็จิตใจดีงามบางคนก็ใจร้ายบางคนก็ชอบสิ่งของต่างไม่เหมือนกันเพราะคนเราคิดแตกต่างกันนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความคิดทั้งหมดเลยถ้าเราก็ต้องรู้จักความคิดด้วยการเจติตตติสร้างความรู้ึกตัวบ่อยๆทุกเราจะได้ลดลงอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจอิญทำยิ่งขึ้นไปขอจบลงแค่นี้